เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เมื่อจบชั้นประถมสามซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาภาคบังคับในเวลานั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ศึกษาในชั้นต่อๆไปอีกทราบกันว่า ช่วงที่เป็นนักเรียนอยู่นั้นท่านเป็นที่รักที่วางใจของคุณครูอยู่ไม่น้อยสังเกตได้ชัดเจนก็คือเวลาไปไหนมาไหนคุณครูมักพาไปด้วยคงจะเป็นเพราะอุปนิสัยช่างสังเกตขยันขันแข็งถึงคราวจะใช้จะวานอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวและ เข้าใจการใดควรไม่ควรสิ่งนี้ทำให้คุณครูให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับท่านตลอดมาแม้ภายหลังท่านจะเข้าสุ่เศบันพชิตแล้วก็ตามแต่การติดต่อสัมพันธ์ก็มิได้จืดจางห่างเหินแต่อย่างใดเลยคุณครูชาลี สิงหสุริยะเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลบ้านตาดในระยะนั้นเป็นผู้ที่ท่านกล่าวถึงเสมอมาด้วยความชื่นชมและาซาบซึ้งในพระคุณไม่เสื่อมคลายว่าท่านเป็นครูของอาตมา เป็นครูตั้งแต่อาตมายังเป็นนักเรียนท่านเป็นครูที่ดีจริงๆหายากมากอาตมารักและเคารพครูของอาตมาคนนี้มากซึ่งความจริงแล้วอาตมามีครูที่สอนไม่รู้กี่คนตั้งแต่ชั้นนั้นชั้นนี้ตั้งแต่กอไก่กอกาก็มีครูท่านนี้แหละ ที่อาตมาติดใจมากที่สุดรักมากที่สุดเคารพมากด้วยไปไหนชอบเอาไปด้วยนะนี่ท่านชอบเอาไปด้วยโอหายากนะนี่คนไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือครูคนนี้แหละไม่ลืมเนื้อลืมตัวเลยเข้านอกออกไหนได้หมดไม่ถือศีถือสาถือยศถาบรรดาศัก ความประหยัดนี่เก่งมากทีเดียวไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ลืมเนื้อลืมตัวการเล่นเกะกะเกเรไม่มีเลยไปไหนมาไหนเรียบเรียบชอบทำบุญให้ทางเป็นประจำนิสัยและเป็นคนกว้างขวางมากไม่เห็นแก่ตัวเพื่อนฝูงรักมากช่วยเหลือคนไม่กลัวหมดกลัวสิ้น แต่ตัวเองรับทานและใช้สอยน้อยประหยัดดีหายากอาตมารักท่านมากโอหายากมากอาตมารักมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งทุกวันนี้แหละความรักของอาตมาความเห็นบุญเห็นคุณไม่เคยจืดจางไปเลยฟังเลึกอาตมาไม่ค่อยเหมือนใครง่าย ครั้นว่าลงก็ลงจริงๆครั้นว่าไม่ลงก็ไม่ลงนะครั้นว่าลงก็ลงจนกระทั่งวันตายไม่มีอะไรมาแก้ให้ตกดอกนี่ก็ลงแท้ๆลงเชื่อว่าเป็นครูของอาตมาให้กำเนิดวิชาความรู้อาตมามาโดยตลอดกุณธรรมมารยาทการปฏิบัติตนอย่างไร อาตมาได้ยึดเป็นคติเป็นตัวอย่างมาตลอดเหมาะสมกับที่เป็นครู